الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولعدوان ا إلا للظالمين وصلي وسلم على شرف الأولين و ا ل ا خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان إلى م د ي ن ثم ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته س ب ع ا لون داي والوقم ه ن ك ب ت ن قام في نون و ا ل ن ه ر วันนี้เราก็จะมาอธิบายต้นะครับ 64ซึ่งเราได้อธิบายอายะห์60 61 12 13เนี่ยได้มาพูดถึงบรรยากาศความอุ่นวายของกลุ่มมนาเฟกีนผู้กับกอกเนี่ยพฤติกรรมอำพรางของเขาที่คนทั่วไปไม่สามารถรับรู้ได้ และนี่คือความเลวร้ายที่สุดถ้าในสังคมนี่มีอัชญยกรวางแผนมุ่งทำลายสังคมแต่สังคมไม่ได้รับรู้ถ้าเรามานั่งจินตนาการสภาพสังคมมุสลิมสมัยท่านนาบีสุลต่านละสหฮาบะยุคแรกเนี่ยอย่างที่บอกกับเพ่นคนที่เสียผลประโยชน์ส่วนมากนะ คนที่เสียผลประโยชน์ที่เขาไม่ยอมรับอิสลามหรือรับอิสลามแบบไม่เต็มใจคนเหล่านี้ที่มาสร้างความปนปวนและจะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยทั้งนั้นที่เขาได้เห็นหมอ่ิศิสฐ์อภีนิหารและสิ่งดีงามต่างๆที่อยู่ในคำสั่งสอนของอิสลาม เพียงให้เห็นว่าคำสั่งสอนของคุต่านและท่านนาบีสลาลฮะเลยสซลัมสามารถเปลี่ยนแปลงคนในคาบสมุทรอาหรับหลังมือเป็นหน้ามือไปเลยเนี่ยคนกินเหล้าเล่นการพา น, านันเที่ยวผู้หญิงหมายถ้งว่า ทำสีนาว่าเล่นน่ะนะดำเนินธุรกิจธุรกิจบาปเช่นปล่อยเงินดอกเบีย้ยขายรูปจเจว็ตคาสุราน้ำเมาและอื่นๆคนเหล่านี้ซึ่งเขาก็มีผลประโยชน์นะหลายคนนัดอิสลามสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ มันเป็นอภินิหารอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงเดชานุภาพของคุรานต่อหัวใจของมนุษย์ที่ไม่สามารถยับยัง้งยับยั้งการบุกรุกของคุ ณ, ณธรรมอิสลามกับหัวใจเน่าเฟะของคนในสังคมเจาฮิลียะห้ามไม่ได้ แต่ก่อนน้นถึงคนบางคนก็แปลกใจไงเป็นไปได้ไงคนนี้นะรับอิสลามเป็นไปได้ไงมุสาบิมณงไม่เล่นเนี่ยเป็นเยาวาชนเจ้าสาราญเิรษฐีของกูรชคนหนึ่งพออิสลามได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานีนกายเป็นคนละคนเลยซึ่งคนที่เสียผลประโยชน์ ถ้าคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยไม่สามารถทะลุหัวใจได้สิ่งดีงามในอิสลามที่ปรากฏกับสายตาของเขาไม่สามารถซื้อใจเขาได้มอดีสาธและพินิหารได้เห็นกับตาไม่สามารถที่จะเป็นตัวพิสูจน์กับสติปัญญาของเขาได้และสิ่งอื่นๆที่มันจะเป็นเครื่องชี้วัด ถึงความสัต์จริงของอิสลามเนี่ยยังไม่สามารถที่จ ะ, ะชำระมนทินที่อยู่ในหัวใจของเขาลองคิดดูสิคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความแข่งใจความไม่สบายใจความกรดแค้นต่ออิสลามขนาดไหนยิ่งทำให้เขาอําพรางการปฏิสิทธิ์ศรัทธาหมายถึงว่าในใจเขาเนี่ยไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับในพระเจ้าไม่ยอมรับในคําสั่งสอนของพระเจ้าหรืออาจจะพยายามดือ้อรั้นดือ้อดึงกับความจริงแล้วก็หลอกตัวเองว่าไม่จิ้งหรอกนสีสิล้วไม่มีหรอกพระเจ้านี่ไม่จริงหรอกอย่างที่บางอย่างนี่เดี๋ยวเราจะเห็นนะบางอย่างนี่เขาก็เหมือนเขายอมรับยอมรับโดยปริยายว่ามีนะพระเจ้านี่มีแน่นอนแต่เขาพยายามหลอกตัวเอง <c oughs> ลองคิดดูสิคนประเภทประเภทเนี้ย ไปอยู่ในสังคมเนี่ยเขาจะเขาจะปั่นป่วนขนาดไหนถ้าเราอยากจะจินตนาการเรื่องนี้เนี่ยให้ง่ายลงเนี่ยลองคิดดูสิองคอ์กรองคอ์กรหนึ่งรับสมัครพนักงานให้ทํางานตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององคอ์กรเช่นผลิตรถอย่างนี้ผลิตรถยนผลิตมถ m o t ผลิตเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึง่งแน่นอนองคอ์กรนี้เขาก็มีคู่แข่งเขาก็มี มีเงื่อนไขในตลาดมีความลับที่ต้องเก็บไว้แต่พราะกดว่าพนักงานเข้ามาเสียดสีฝ่ายบริหารดูหมิ่นนโยบายและยังบั่นทอนกำลังใจของพนักงานคนอื่นที่ทำในองคอ์กรและยังเอาความลับขององคอ์กรไปบอกกับคู่แข่งเนี่ ย, ยสับหลับกับคอ มาอยู่ในองค์กรรับเงินเดือนได้สัญญาใจว่าจะทำทำงานอย่างสุดิตจใจแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมุ่งที่จะทำลายองค์กร น, นี่ครับมันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันนะเห็นกันในสังคมบ่อยครั้ง <c oughs> แลก็บ้านปลายของคนเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้ ประความสําเร็จในการที่จะทําให้องคอ์กรนั้นลุ่มหลีกไปเลยนะที่สุดเนี่ยเขาจะต้องถูกขับไล่จากองคอ์กรการถูกขับไล่นี่ก็คือการดีการที่จะกล่าวต่อหน้าเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในองคอ์กรแล้วซึ่งมีค่าเดียวกับที่เราเรียกกันเนากล่าวหาว่าเป็นกาเฟ่ไงกาเฟ่ในหมายว่าคนไม่ได้เป็นผู้แสดงละอันนี้กันเลย ถ้าคุอย่างนี้คุณเหยียว่าอยู่อ ย, อยู่ในองคอ์กรนี่ออกจากองคอ์กรก็หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในกลุ่มคณะในหมู่คณะที่มีเจตนารวมเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันมีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันฉะนั้นการกล่าวถึงคนคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเยี่ยงคนที่เนรคุณต่อองคอ์กรแบบนี้กล่าวว่าเขาเนี่เป็นกาเฟมันไม่ได้เป็นคํากล่าวที่ร้ายแรง ต่อเมื่อพฤติกรรมของเขาเนี่ย <c oughs> ฟ้องถึงความเป็นเป็นเป็นศัตรูที่แฝงแฝงตัวอยู่ในอยู่ในอยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในหมู่คณะสมัยท่านนาบีไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีเครื่องดักฟังไม่มีวิธีการที่สามารถรู้พฤติกรรมอำพราง ของกลุ่มสับหลับกลุ่มมุนาฟิกทั้งหลายแต่มีกุรานคอยลงเตือนแล้วก็แจ้งผู้ศรัทธาแจ้งสังคมมุสลิมถึงพฤติกรรมของของพวกมุนาฟิกทั้งหลายเนี่ยถึงฉายาของสุรัตต์วัตเนา่ที่ถูกประทานลงมาเพื่อแฉเปิดเผย พฤติกรรมอำพางของพวกมุนาร์กีนเนี่ยฟาสุรที่แฉสุรที่เผยความชั่วของพวกมุนาร์แต่ประเด็นของของกลุ่มของพฤติกรรมของพวกมุนาร์กีนเนี่ยที่สุรตาวาตวารีต้องการต้องการชีให้เห็น มันไม่ได้เจตนาที่จะแฉอย่างเดียวแต่เจตนาที่จะให้มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นด้วยคนอื่นในยุคนั้นแล้วก็นในยุคนาฬิหลังก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมต่อต้านอัลลอฮ์และ رسول อานิสะเดิลลัคะเดิห ล, ลักถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับกฎหมายสากลปัจจุบันก็คือธุรยุทธชาติ คนที่ต่อต้านอัลลอฮ์ตอต้อานรัศูลต่อต้านศาสนาเ น, นี่ก็คือทรอยชันทรอยชันนี่ก็หมายถึงว่าไม่หวังดีกับบ้านเมืองดีไม่ต้ไม่ต้งถึงขนาดที่ไปสมคบคิดหรือไปรวมตัวกับศัตรูเ ป, <c oughs> เป็นเป็นเป็นสายลับให้ศัตรูเอาความลับของของบ้านเมืองไปส่งให้ศัตรูไม่ไม่ต้งถึงขนาดนั้นก็ได้ แต่แต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยมันสื่อถึงเจตนารมณ์ที่จะทำลายบ้านเมืองประเทศชาติเนี่ยเขาก็ถือว่าตรยศชาติแล้วนี่ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ س ะถามเาว่าเขาไม่รู้หรือว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นการตอนอลมู่อาติรเรลฮ์ู้รามงานันารตล เขาจะพวกเขาม่ได้รู้หรือว่าแท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืน Allah และ u l อาารย์ิกลสจสวัด์ในหนังสือกุรานมาชิทานได้แปลว่าพวกเขาไม่รู้หรือว่าแท้จริงผู้ใดที่ต่อต้านอันนี้เนี่ยเขาจะเรียว่ายูฮัดยูฮัดยูฮัดอันนี้เขาแปลว่า ฝาฝืนแต่ต่อต้านนี่ทุกต้องกว่าทาไมอยู่ h a r รักษาของมันนี่มาจาก h a ด d ดุล h a d ดุลไปว่าขอบเขตอยู่ h a หมายว่าอยู่กันคนละเขตอยู่กันคนละฝั่งอยู่กันคนละฝั่งแสดงว่าอะไรแสดงว่าศัตรูกันไม่เอาไม่เอาด้วยกันไม่ไม่เห็นชอบกันไม่ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันหนะึ่งคนละฝั่งกัน h เขาจึงแปลว่าต่อต้านเพราะแน่นอนใครที่อยู่คนละฝั่งกันนะเป็นศัตรู ก, กันก็ต้องมุ่งที่จะต่อต้านกันและกันและการฝา่าเพียงการฝ่าฝือนอย่างเดียวเนี่ยฝ่าฝือนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นเหตุสําคัญที่จะทําให้เขาเนี่ยพำนักอยู่ในนรกย a h r e น, นั่ตลอดกาลอย่างที่อริยเด้บอกฝ่าฝืนพวก เพราะเขาไม่ได้รู้ดกหรือว่าแท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺลลอซูลของพระองค์แน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกยะหันนำโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลเพราะฝ่าฝืนเหรอถ้าจะเป็นฝ่าฝืนนี่ก็แบบฝ่ฟาฝืนแบบสุดโตงอ่ะฝ่าฝืนแบบไม่เอาไหนเลยหมายถึงว่ฟาฝ่าฝืนตลอดมีคาสั่งอะไรก็ไม่เอาเลยอันนั้นอ่ะ ใช่และนี่คือคำอธิบายกับอายะเดียวมีเนื้อหาเดียวกันในสุร์อัลจินว่ยัสิละฮวะรูล ف أ ن ف ا لهنا له رجح ن م قاالدين فيها أبدا อันเนี้ย่าฝืนว่าไม่ยาสมาซียาสิในสุรานั้นน่ะถ้าแปลว่าผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์รัสูละเลมาจึงได จะตีความนะข้ออื่นบอกว่าวเมนยังศิลลาห์รสนุลห์ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا แล้วก็ผันนักในในนรกตลอดการเหมือนกันมีคําถามว่าเอาแล้วก็แค่ฝ่าฝืนแล้วผนักนรกตลอดการบอกว่านี่ฝ่าฝืนตลอดหมายถึงว่าไม่เอาเลยไม่เอาไหนเลยไม่ใช่ฝ่าฝืนเพียงเรื่องเดียวฝ่าฝืนแล้วก็ทําบาปเรื่องเดียวเพราะการทําบาป ทำทำบาปก็ถือว่าฝา่าฝืนนะถือว่าฝา่าฝืนแต่คําว่าฝา่าฝืนเนี่ยโดยสมบูรณ์ฝา่าฝืนเนี่ยหมายถึงว่าไม่เอาปฏิเสธซึ่งอุลมะ ก, ก็ตีความอีกทัศนาหนึ่งบอกว่าฝา่าฝืนนี่หมายถึงว่าอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้ก็คือปฏิเสธสิ้นเชิงถึงจะเป็นเรื่องเดียวเรื่องเดียวไม่ต้องไม่ต้องปฏิเสธศาสนาทั้งหมดเช่นดุลกิฟลี ดุลกิฟลีรู้จักไหมรู้จักดุลกิฟลีไหมมัชื่อบางกิฟลีนะดุลกิฟนี่เป็นชื่อนบีเอกชนในกุรานุเป็นนบีถ้ามีคนบอกว่านบีทั้งหลายเนี่ยฉันศรัทธาหมดละรูุนอิมานี่ศรัทธาต่อบรรดานบีฉันศรัทธาหมดละยกเว้ดุลกิฟลีทาไมอ่ะชื่อดูดูชื่อนี่ไม่เท่ไม่เหมือนบรรดานบีรูลชื่อไม่เคย อะไรดุลกิฟปฏิเสธน บ, บีคนเดียวซึ่งไม่ใช่น บ, บีที่มีชื่อเสียงด้วยนะก็เท่ากับปฏิเสธบรรดาอ บ, บีุละซูลทั้งหมดเลยอันเนี้ยที่ฝ่าฝืนอย่างสมบูรณ์แบบใดฝ่ฟาฝืนที่ไม่สมบูรณ์แบบนี่ก็คือเขาเชื่อในคำสั่งสอนเชื่อว่าเจนานี่มันบาปถ้าเขาเขาทําแต่เขาเชื่อว่าบาปนะ แ, และขณะที่เขาทํานี่เขาก็เชื่อว่าเขากำลังทำบาป ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่ผมเคยเคยบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและน่ากลัวมากสำหรับคนที่ทำบาปบางคนทำบาปแล้วก็ไม่ตกศาสนานี่ก็มีเงื่อนไขหนึ่งสำคัญว่าขณะที่ทำบาปนี่ต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำบาปถ้าเผลอไปคิดเนี่ยเผลอไปคิด เผอไปรู้สึกเผอไปเข้าใจว่าที่เขากาลังทําเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องที่เขามีอภิสิทธทิมม์ทำนะมีสิทธิ์ที่จะทําอัลลอฮฺไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเขาไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะห้ามเขามันไม่อาจจะเป็นเรื่องบาปว่าเรื่องบาปทํมมาไมนี่อย่างพวกว้เรื่อง LGBT ออกมาส่ีดาเปล่โอนี่เป็นเรื่องคือพูดอะไรที่มันมันแย้งในตัวเป็นเรื่องร ะ, ระหว่างฉันกับพระเจ้ า, า ก, กม็มันเป็นมันเป็นเรื่องพระเจ้าที่บอกว่าบาปนะ่ยถ้าเป็นเรื่องระหว่างเธอกับพระเจ้าอ่ะนะก็ไปคุยกับพระเจ้าให้ดีจะรู้ว่าพระเจ้านี่สั่งเธอว่าอย่าให้ทำาแต่ยังดือ้อดึงแล้วก็บอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะห้าม กรีงวะกูดีงว่าถ้าเข้าใจว่าไม่ยอมรับว่าว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องบาปนะอันนั้นตรกศาสนาถึงแม้ว่าเขาอยากจะแสดงความจริงขเ้นเขาเขายังเป็นมุสลิมเขาอยากจะคุมหิจาบซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากเนะี่ยคือแปลงเพศแปลงเพศแล้วก็มาคิงในเพศที่ไม่ได้เป็นเพศจริงของเออมันแปลกไหม มันเหมือนอะไรนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นค่านิยมที่ประเทศญี่ปุ่นและอันนี้นี่สืบเนื่องสืบเนื่องจากสภาพเพศประเด็นของสภาพเพศของ LGBT นะเขาบอกว่ามันมีลทัทธิหนึ่งที่เขา้าที่เขามีความรู้สึกมีความ <c oughs> ดนใจว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาเป็นอะไรเกิดมาเป็นหมาอันนี้เป็นักที่นะเป็นเป็นเป็นกระแสเลยนะเป็นหมานะแล้วก็เป็นข่าวนี่ b b บีซีหรือสํานักข่าวดังออกว่าคนญี่ปุ่นคนหนึ่งอะนะชีวิตของเขาเนี่ยก็จะใส่หน้ากากหมาแล้วก็ชอบเดินตามสวนสาธารณะเนี่ยเดินเดินสีข่ขานี่หมายถึงว่าใช้มือใช้เท้านี่เดินให้เดินดูเหมือนหมา แล้วชาวบานก็เอาด้วยเอ็นดูหมานยแต่คงไม่ได้ให้อาหารหมากินคือถ้ารู้สึกว่าเป็นหมาเกิดมาเป็นเดราาัจฉานเป็นหมานี่ก็ถึงที่สุดเลยสิกินก็ต้องกินเหมือนหมาใช่มะกินก็ต้องกินเหมือนหมาอย่าใช้มือกินดิอันนี้มันสืบเนื่องสืบเนื่องจากจากเรื่องสภาพเพศที่เขาบอกว่าเราเกิด เกิดมาเขาบอกว่าเพศเกิดเนี่ยอันนี้เกิดมาเป็นเพศอะไรนี่เขาไม่ปฏิเสธนะว่าเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ น, นี้ไม่ใช่สภาพเพศพราะเขาเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็อยากจะเป็นผู้หญิงถ้าตัวเองรู้สึกว่านี่เป็นอภิสิทธิ์ที่สามารถเชื่อและกระทำได้ตามนั้น กรงว่าจะตกศาสนาแต่ไม่ต้องเอาเรื่องนี้อันนี้มันไม่ใช่ประเด็นไม่เพราะนี่ ป, นประเด็นกลุ่มเฉพาะซึ่งมีจํานวนน้อยไม่เยอะหรอกที่บางทีนี่ออกมาพูดมาวิจารณิน่นะเพื่อเพื่อให้มีวิชาการที่สามารถเผยแพร่ในสื่อให้เยาวชนเนี่ยได้ฟังแล้วก็สามารถแชร์แล้วก็อ้างอิงได้เพราะบางทีเนี่ยข้ออ้างของพวกเหล่านี้เนี่ยบางทีมันทําชวนหลงอะ่ะ ชวนให้เยวาวนหลงอ่ะเราก็พูดบ้างแต่เขาไม่ได้อยู่ในสายตาของเราเพราะกลุ่มไม่เยอะหรอกแต่ถ้ากลุ่มที่เยอะมากเนี่ยกลุ่มที่ทำบาปบาปที่เป็นบาปทั่วไปดื่มน้ำกระท่อมดูดกัญชากินเหล้าอย่างเงี้ยเ <c oughs> ที่ยวกลางคืนเที่ยวผับเที่ยวบาร์คาราโอเกะอันนี้เยอะมาก เยอนี่ไม่ผมไม่ได้หมายถึงาต่างสนาสนามนะในสังคมมุสลิมมาเยอะมหมเยอะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมีไหมลองคิดดูซิหรือจากประสบการณ์ที่เราได้เคยคุยกับคนเหล่าเนี้มีไหมที่เขาทําบาปเหล่าเนี้แล้วก็ลึกๆเนี่ยเขาเชื่อว่ามันไม่บาปอ่ายกตัวอย่างน้ําท่อมเดี๋ยวเนี้เป็นยังไงก่อนน้ําท่อมอาจจะเป็นเรื่องที่พอขัดแย้งกันได้นะ แต่แค่ยกตัวอย่างว่าเนี่ยบางเรื่องที่มันค่อนข้างมีความชัดในหลักการแต่เนื่องจากว่าเกิดความคุมเคือนิดนึงอะนะกลายเป็นข้ออ้างให้เขาเนี่ยบิดพิ้วความเชื่อของเขาเนี่ยให้เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับหลักการเลยคนที่เคยสูบบุหรี่แต่ก่อนนู้นหัวชนฟ้าเลยใครเอามาบอกว่าฮารอมนะตอนนั้นน่าก็เห็นใจเขานะทำไมอะ ผู้รู้ต่อหน้าเขาเนี่ยกระดูดผู้รู้ต้องเห็นต้องห็นใจตก่อนนู้นนะผู้รู้บรรยายนี่พ้องบุรีนะเนี่ยอธิบายคุตอานนี้เนี่ยมีบุรีไม่ใช่ที่อื่นนะบ้านเรานะ่ไม่รู้บังหมัดทันไหมทนันเออแต่ตตครูรุ่นรุ่นเขาแกนูน้นน่ะฮะประมาณไม่ไม่นานมากเลย ที่ผมที่ผมมีข้อมูลผมไม่เห็นนะแต่ที่ผู้ใหญ่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยพอพอผมกับบางมันนี่ก็ห่างกันเนยอะนะผมยังวัยรุ่นอยู่ในบางมันีบางหมันนี่ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่านี่ก็ถ้ารุ่นรุ่นก่อนก็ก่อนรุ่นศูนย์กลางใช่ไหมบางมันนี่ก่อนรุ่นศูนย์กลางนี่ก็ต้องทันแน่นอน พอเริ่มมีการเริ่มมีการเผยแพรุ่าสนานะอันนี้พูดถึงกรุงเทพมาฮานครนะแต่ทางภาคใต้เนี่ยน้อยหน่อยทุกครูที่สูบรีนี่น้อยอยคิดดูสิชาวบ้านเห็นครูบาอาจารย์เขาเนี่ยบรรยายสุบรีแล้วพอไปถามเขาว่าเุี่รีนี่มันหารอไมไหมบอกว่ามักรูชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกที่จะเรียน ที่จะเรียนนิติศาสตร์แล้วก็รู้คาว่ามักรที่รู้กันนี่นะเพระรองบุรีนี่แหละที่รู้คาว่ามังกรนี่นะเพราะเรืงบุรีมีคนมาบอกว่าบาปก็ไปถามโตครูเฮ้ยบาปมาคู่บอกมังกรอะไรย่งมังกรนี่มัมังกรนี่เราเวลานิยามเขามังกรมังกรนี่แปลว่าไม่บาปใช่ไหมเพราะสมงมุติฐานของมัสยละเนี่ยมีคนมาบอกว่าบุรีนี่บาปใช่ไหม เขาก็ไปถามตัวมันบาปไหมไม่บาปมันมกรุก็มกรุปไปว่าไม่บาปทั้งที่มันเนียนขโมมกรุนี่ไม่เชิงนั้นไงมันคนละเรื่องยังไงเห็นใจชาวบ้านนะ่ะตอนนั้นนะ่ะเออพอที่จะจินตนาการได้ว่าเขาเขาเกิดความบิดเบือนในเรื่องในเรื่องหลักการจากแหล่งแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ของเขาเขก็มีโอกาสที่จะบิด ที่จะเพี้ยนไปด้วยแต่เรื่องนี้มันก็มีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนในเรื่องที่บัรชัดที่มันไม่มีความขัดแย้งก็ได้ที่มันไม่มีความขัดแย้งเลยก็ได้ถ้าหากว่าเขาอยากจะทำอะบาปนี้เขาอยากจะทาอยากได้อะและความเสี่ยงตรงนี้นะครับที่ที่ผมบอกว่าอุลามาฮ์คเดียกัน เป็นการตกศาสนาชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะอ่าเขาเรียกว่ า, าเป็นการฝ่าฝืนที่สมบูรณ์ฝ่าฝืนที่สมบูรณ์นี่ก็คือเริงเริงยูฮัดหรือหรือแม้ขอเรื่อง uh ad, อ ก, อกุฟรุลกุฟรุลมูฮัดการปฏิเสธชนิดต่อต้าน จีนา่าไม่บาบอันนี้ปฏิเสธคาสั่งสอนอย่างหนึ่งใช่อันนี้ตกศาสนานะอันนี้ตกศาสนานะจีน่านี่ยไม่ฮารามอันนี้ตกศาสนาเล่าเนี่ยไม่ฮารามะจะไม่ได้นะอันนี้อันนี้เคสหนึ่งอีกเคสนึงเล่าบดรีเนี่ยฮารามบาบมีคนมาห้าม คนดีกินเหล้าหรือทำาีหนาเนี่ยห้ามไม่กินเหล้าห้ามไม่ให้ทําีินาปรากฏว่ามีคนนึงก็ออกหน้าแทนแล้วก็มาต่อต้านคนดีห้ามทำาีินาห้ามดื่มเหล้าด่าทอต่อต้านสู้ไฟอย่างเต็มที่เลยนะไม่ให้เข้าทำหน้าที่ห้ามคนที่ทำบาป คนคนนี้คนคนนี้ดีกว่าหรืออีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ห้ามใครนะแต่เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธว่าจีนานี่ไม่บาปเล่าไม่บาปแต่เขาไม่ได้ห้ามคนดีคนนี้มาห้ามคนนาจีนานะเขาก็ปฏิเสธเฉยๆแต่อีกคนนึ่งไงนะยอมรับว่าจีนานี่มันบาปแต่ให้ใครมาห้ามเฮ้ยไปห้ามยัง ไ, ไงไปสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคน ถึงผมยอมรับว่ามันเป็นเรื่องบาปนะแต่ผมจะต่อต้านทุกคนที่มาห้ามสิทธิคนอื่นในการทำบาประหว่างสองคนเนี่ยใครดีกว่ากันไอคนที่ปฏิเสธเฉย ๆ, ๆเนี่ยผมว่าคิ้วมากกว่าน่ารักกว่าใช่มแล้วก็ปฏิเสธเฉย ๆ, ๆ แต่อีนี่ออกฤทธิ์ถึงขนาดที่ไม่นะถึงแม้ว่าเขายอมรับว่ามันบาปนะแต่อย่าให้ใครมาเอาหลักการศาสนาเนี่ยมาบังคับคนอื่นเนี่ยฉันจะต่อต้านเนี่ยอุลมามะเขาบอกว่าถ้าพฤติกรรมของเขาเนี่ยจริงใจหมายถึงว่าเขาไม่มีปัญหาส่วนบุคคลกับคนที่มาห้ามารศนนานนะหมายถึงว่า มันเป็นเรื่องอคติส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่อคติส่วนตัวมันเป็นอคติกับเรื่องหลักการจิน่าเล่านี่บาปเออบาปมันเป็นทศนะส่วนตัวแต่ถ้าแต่เองมาบังคับคนอื่นนี่บังคับไม่ได้เนี้ยอันนี้เขาเรียกว่ากุฟรุลมูฮัดการปฏิเสธด้วยการขอต้านหลักการศึกษ กาดปฏิเสธด้วยการต่อต้านและการศาสนานี่มันมันออกในหลายรูปแบบรูปแบบที่ต่อต้านต่อต้านอย่างสิ้นเชิงเลยนะอย่างชามักกาเนี่ยเาขาต่อต้านชัดเจนหรือมันจะออกในรูปแบบในรูปแบบที่เบากว่านั้นหน่อยเช่นดูมินดูถูกลบหลู ลบลู่ละการอันนี้นี่ก็เป็นกุฟรุลมุฮัดดะเหมือนกันมันเป็นการต่อต้านทางอ้อมลองคิดดูสิถ้ามีคนหนึ่งนั่งในวงเพื่อนๆ เ, เนี่ยแล้วก็พูดก ะ, นะกะแหนกแหนผู้บังเกิดก้าวพ่อแม่เฮ้ยพ่อแม่กูนี่ไม่ได้เรื่องเลย พ่อฉันเป็นอย่างงูเป็นอย่างนี้แม่ฉันไม่ไปเอาไหนอันนี้เนี่ยเราจะคิดได้ไงว่าคนคนนี้เนี่ยกระตันยูต่อพ่อแม่ทั้งนั้นนี่เขาไม่ได้ปฏิเสธพ่อแม่นะเขาก็ยอมรับว่าเป็นพ่อแม่แต่เขาดูถูกนั้น น, นัลนกรแหนพ่อแมเ่เราก็ต้องได้ข้อสรุปว่าคนนี้เนี่ยไม่รักพ่อแม่เลยอายะหกสิบสามเนี่ยจึงนำร่องให้เราได้เข้าใจว่า การต่อตา้านศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิสิธศรัทธาที่มีความบังควรที่จะถูกลงโทษในนรกอย่างตลอดกาลเพราะคนที่กระทำเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นเดียวของของผู้ปฏิสิทธานั่นน่ะและ Allah ้วอัลลอฮุบ ب า ا ن ه ะ ت ع ا ได้ยกตัวอย่างพฤติกรรมของมูนาฟิกีนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้ ได้มีพฤศาส ل َ س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ت ر و ب ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ل ر ج ي ي ي ح ذ ر ا ل م ن ا ف ق و ن أ ن ت ن ز ل ع ل ي ه م س و ر ة ت ن ب ئ ه م ب م ا ف ي ق ل و ب ه م ق و ل ا س ت َ ز ِ إ ن ا ل ل ه م خ ر ج د م ا ت ح ذ ر و ن بندى منافق بندى س لب سب لب ك ب ق วิวันเกรงวาดกลัวจะมีสุราองค์การหนึ่งสุราในคุรานสุราหนึ่งหรืออยะหนึ่งทูนบบิอุมุมถูกประทานลงมาแก่พวกเขาซึ่งแจ้งให้พวกเขาทราบสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาเขากลัวมาก ขณะที่มูนาฟิกีนอยู่ด้วยกันกำลังกันะกันแหนกำลังต่อต้านอิสลามพูดมันปากเออิสลามนี่ไม่ได้เรื่องไอน บ, บีกับสหาบบาเ น, นี่ไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยที่เขาคุยกันวงในอะนะกลัวเหลือเกินว่าจะมีสุร้อนหนึ่งอายาหนึงมาแฉมาเปิดเผยมาแจ้งสิ่งที่อยู่ในใจของเขาสิ่งที่เขาพูดด้วยกันหรือสิ่งที่เขาแฝงอยู่ในใจเนี่ยมาบอกเขา จงกล่าวเถิดองค์ุมฮัมมัดอุสอิสตฮอูพวกท่านจงเยือะหยันกันเถิดสแสดงว่าที่เขาทำเนี่ยคือการเยือะหยันที่เขาต่อต้านในวงในและก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดพูดให้ซาบะท่านอื่นได้รับรู้เนี่ยพูดกันในวงในแล้วก็ไม่กล้าบอกใครนะ สิ่งที่เขาทำนี่ก็คือเยอะใหญ่ยเยอะเย่อีหลักการศาสนาซึ่งที่ไปที่มาของอาย่านี้เนี่ยของมุนาฟิกีนสามคนกลุ่มหนึ่งสามคนอาย่านี้ถูกประทานลงมาขณะที่ท่านนาบีกําลังเดินทางไปสงครามตะบุคจึงพิสูจนได้เห็นว่ามีเหมือนกันนะมุนาฟิกีนที่ออกไปสู้รบกับท่านนาบี และอย่างที่บอกกับพี่น้องว่ามุนาฟิกีนเนี่ยเขาได้ทําทุกวิถีทางเพื่อให้พิสูจน์กับตัวเองและกับคนอื่นให้เชื่อสนิทใจเชื่อว่าพวกนี้เป็นมุสลิมไม่ใช่ไม่ใช่มุนาฟิกบริจาคบางทีเขาก็บริจาคละหมาดแน่นอนในละหมาดนั้นก็มีนบีแทบทุกเวลาออกไปจีฮาดนี่ก็มีเหมือนกันคิดดูดิ ทั้งนั้นดีหัวใจของเขาเนี่ยก็ยังมีสิ่งโสโครกมีการปฏิเสธมีการเยอะเยะ้ยและการศาสนาสามคนนี้ออกมาเดินทังไปตะบูกนี่ไกลนะจากมาดินะาไปตะบูกนี่หลายร้อยกิโลช่วงน่าร้อนด้วยขราวานกองทัพเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่ก็จะนั่งพักนั่งพักโดยเช่วงกลางคืนนะั่นะ ก่อนนู้นก็ไม่มีไม่มีติ๊กต็อกไม่มีอะไรมามาดูนะั่นทำอะไรก็คุยกันเฮ้ยเขาไม่ได้พูดว่าเฮ้ยนะอันนี้อันนี้ให้ใหเราเิยมุฮัมมัดและพวกเนี่ยเขาเนี่ยกว่าไปสู้กับโรมันสงครามตะบุกนี่จะไปสู้กับโรมัน เขาน้นกว่าสู้กับรมันนี่เหมือนไปสู้กับกลุ่มอาหรับกระจกในคาบสมุทรอาหรับเรานี่แหละคนละเรื่องนะเดี๋ยวใคยดูเดี๋ยวใคยดูเนี่ยโดนล่ามโซ่กันเป็นแถวเลยเป็นถูกจับเป็นเฉลยกันหมดเลยอันนี้ฉากหนึ่งนีค้คุยหลายๆรอบนะอีกฉากหนึ่งไอ้พวกที่ ผู้รู้ผู้รู้ที่กังอุลุนิก็หมายถึงว่า صحاب านบีปรว่าอัลกุรออัลกุรออนนี่คนที่อ่านกุตอ่านในสมัยนบีคนที่อ่านกุตอ่านคือคนที่มีความรู้กุตอ่านเขาก็ไอพวกกุรอเนี่ยไอพวกกุรอนี่นะอที่จะกินน่ยก็กินเก่งเหลือเกินที่จะกินน่ะนะโหกินเก่งแต่ที่จะสู้รบนี่ยนะ ขี้ขาดตัวค่อยดูสงครามพวกเกิดขึ้นในไหนพวกนี้ีนขี้ขาดไม่กล้ามาเชิญหน้ากับศัตรูหรอกเพรานั่งอยู่สามคนสองคนนี่เมาเข้าใจเมานะสองคนนี่พูดเยอะเยยอีกคนนึงงไงนะไม่ได้พูดแต่หัวเราะจ่ไม่ให้ดีนะอยู่สามคนสองคนนี่นะเยอะเยอย อีกคนเนี่งยงไม่พูดเลยไม่คุ้นศักย์เนี่ยแต่ฟังแล้วก็หัวเราะเออละคนหนึ่งหเราแต่มีคนนั่งอยู่เนี่ยอีสามคนนี่นึกว่าพวกเดียวกันหมายถึงอะไรอูนาฟิกเหมือนกันไหมคนที่ไม่เอาเขาก็เลยบอกว่าไอาพวกเองินิโกหกตอนแล้วเนีดูฉันจะไปฟ้องนบีอันนี้มีรืวองหนึ่งที่หมายถึงม ม, มีคนไปแจ้งแต่มีอีกรีวิย่หนึ่ง เออท่านจิบริลนี่มาบอกท่านนบีเนี่ยว่ามีกลุ่มหนึ่งเขาพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้พูดอย่างนี้เป็นซีนารีโอเลยอ่ะเป็นเขาพูดแบบนี้คนนี้ตอบแบบนี้ท่านนบีก็เลยส่งอามารับเนียเสร็จไปสอบสวนไปถามเลยกลุ่มนี้ยไอ้สามคนเ น, นี่ยขอพูดอะไรที่บาตรถ้าเขาบอกว่าเปลาไม่ได้พูดไม่ได้อะไรอย่าบอกว่าเปล่าพวกคนพูดนี่พูดคนนี้พูดแบบนี้แล้วคนนี้ตอบแบบนี้คนนี้แบบนี้ ตะลึงกันเลยตะลึงกันเลยรู้รู้เด้ไงพอเขารู้ว่าท่านนบีสุลตละละเลวเสด็ลมทราบแล้วเนี่ยรู้ตัวแล้วสิว่าเขาทำทาผิดขนาดไหนก็เลยรีบไปขออภัยจากท่านนบีสุลตละละอะลัย์มสลัมเนี่ยยศละบว่าแท้จริงนี่ตอนที่เขาก็กำลังเยอะหญิงเยอะเยอะเยยเยอะหยัน ศา ส, สนาเนี่ยในใจเขาเนี่ยเขายังหวาดเสียวอยู่เขายังกลัวอยู่เดี๋ยวจะมีสุรามีอายะกุรอานถูกประทานลงมาบอกกับท่านน บ, บีในสิ่งที่เรากําลังนินทาท่านและสาวกของท่านหรือเปล่าองคเล่าบอกว่าจงเย้ยหยันกันเถิดจะพูดอะไรเยอะอะไรเนี่ยก็พูดไปเถอะ อินนัลลอฮฺมุขเรจุมมะตาฮซารุนแท้จริงอัลลอฮนั้นจะส่งให้ออกมาซึ่งสิ่งที่พวกท่านวันเกรงสิ่งที่พวกท่านวันเกรงไม่อยากให้ท่านนาบีรุนอัลลอฮจะคุดออกมาให้ท่านนาบีได้รู้เนี่ยพฤติกรรมเยะเยยมันก็คือการต่อต้านาศาสนาชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันนะคุฟรุลมุฮาต ลบลู่ไม่ต้องปฏิเสธนะเขไม่ได้ปฏิเสธลบลู่หลักการศาสนาลบลู่ท่านนาบีหรือลบลู่สิ่งที่เราต้องศรัทธาเนี่ยลบหลู่ยิบรีหลบหลู่มาลาอิกาลบลูลบล่บรรดานัลนายละรัสูลอิสลามเนี่ยคนที่ออกมาเผากุรอานออกมามาด่าทอท่านนาบีมาลบลู่ท่านนาบีมห เวลามุสลิมออกมาตอบโต้เนี่ยออกมาประท้วงเนี่ยไม่มีมุสลิมสักคนหนึ่งอะนะบางอาาจที่ไปทําเหมือนที่เขาทําำมีมุสลิมเขาเขามาเผาคุตัานงั้นเราเผาไบเบิลไปเลยเขาลบหลูนบีมุฮัมมัดลบหลูอีซาของเขาไปเลยเพระสุซึ่งในในเชิงเหตุผลอะนะ ม, นมันก็มันก็มีมันมีเหตุมีผลเนี่ยเาเขาทำเราแบบนี้เราก็ทำเขาแบบนี้ ถสังเกตทัวโลกมุสลิมมันะไม่มีมุสลิมสักคนนึงออกมาทาแบบนี้เพราะอะไรมุสลิมทุกคนเนี่ยรู้ว่าการลบหลู่เนี่ยไม่ใช่ลบหนะ ล, ลู่นมูฮัมหมัดนะลบหลู่ท่านน บ, บีอาเอเนี่ยลบหลู่ไบเบิลทั้งนั้นที่ไบเบิลเนี่ยเราก็รู้ว่าไบเบิล น, นี่ถูกบิดเบือนส่วนมากถูกบิดเบือนใช่แต่เราก็ไม่คิดว่าเออจะเอาไบเบิล น, นี่มาเผาใช่ เพราะการลบหลู่เนี่ยการดูถูกหรือทำร้ายเนี่ยมันก็คือการต่อต้านนั่นแหละและการต่อต้านถือว่าเป็นการปฏิเสธและการศาสนาอย่างสิ้นเชิงหมดนเขาก็เลยรีบไปขออาภัยจากา น, นาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใส่เร่งงานที่บอกว่านาบีเขาคุยแล้วเนี่ยนะคาราวานก็จะเริ่มเดินละก็จะเริ่มเดินทางต่อละ ไอ้พวกนี้เนี่ยรู้ว่าท่านนบีสุลนลอฮะวซัลลัมราบเหตุการณ์ของเขาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปขอโทษจากท่านนบีท่านนบีขี่อูดละเขาก็ไปจับเชือกในเสดายงานเ้าบอกว่าจับห็ฮักบฮักบมุมสิกุนบีฮักบินน้าฮักบนี่ก็คืออูดเนี่ยมันจะมีก็เลยอะไรอ่ะเหมือนเป็นกระเป๋ามันเป็น มันเป็นเบาะใช่เบาะที่นั่งบนหลังอะ่ะแล้วก็ระวังเบาะนี่ข้างขวากับข้างซ้ายนี่มันก็จะมีเหมือนเป็นกระเป๋าที่เก็บสัมภาระใช่ไหมอ่าและ ก, กระเป๋ากระบอกนี่มันก็มีเชือกกระเป๋านี่ก็จะมีเชือกผูกไว้จะได้ไม่หลุดไงไอ้พวกนี้เนี่ยอูดนี่มันสูงไงพวกนี้เนี่ยมันก็วิ่งตามท่านนาบีจับเชือกกระเป๋าหรือเบาะของอูดเนี่ยแก้ตัวกับท่านนาบีสัลลัลลอฮอะลัยฮิวะัล ท่านบีถามว่าแล้วพวกเจ้าทําไมจึงพูดแบบนี้ว ل อิน س อัล ه م لا يقولون إ ن น ا كنا نخوض ونلعب น ل أب الله آياته ورسوله كنتم تستهزئون แล้วหากเจ้าได้ถามพวกเขาแน่นอนพวกเขาถามเขาว่านบีถามเขาว่าทําไมจึงพูดแบบนี้แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงพวกเรา เป็นเพียงแต่พูดสนุกพูดเล่นเล่นพูดเล่นพวกเรานี่สนุกปากพูดเล่นเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจเยอยไม่ได้ตั้งใจเยอะหยันหรือดูมิน่นศาสนาพูดเล่นเท่านั้นโอ้มหัมมัดจงกล่าวเถิดว่าต่ออัลลอฮ์และบรรดาองค์การของพระองค์และรูลของพระองค์ กระนั้นหรือที่พวกท่านเยอ่หยันกันหมายถึงว่าจะสนุกปากพูดเล่นเนี่ยกับเรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับพมุสลเกี่ยวกับองค์การของพระองค์กระนั้นหรนั่นหมายรวม้อสรุปชัดเจนนะครับในอายะเนี่ยว่าเรื่องศาสนาเนี่ยพูดเล่นไม่ได้เอาเรื่องศาสนานี่ พูดเล่นไหมนะเรื่องคุรานเรื่องอดีตของท่านนบีเรื่อง Allah, องลัลลอฮ์หรือเรื่องหลักศรัทธาหรือคําสั่งสอนนี่เอามาพูดเล่นไม่ได้อายาในคุรานเราไม่ชอบหรือเอามาทําเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องตลกพูดสนุกไม่ได้พูดแบบนี้เนี่ยตกศาสนาเลยนะเอาเรื่องละหมาดเรื่องทือสิ้นอดเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเอามาพูดเล่นนะ่ะ คุเล่ น, นไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยเผลอไปพูดโดยไม่เจตนามันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลเหมือนกันนะพอพวกมมนาฟิกเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาไม่ตั้งใจเยอะๆเราแค่พูดเล่นอย่างเดียวซึ่งคำนี้เนี่ยในวัฒนธรรมอาหรับเนี่ยเราพูดเล่นน่นนะไม่เป็นที่ถูกยอมรับใน ในกรณีในสภาพปกติเนี่ยเป็นคำแก้ตัวถึงอัลลอ์เอามาเอามาเอามาพูดกับพวกมุนาบิกีเนี่ยเขาแก้ตัวแบบนี้เนี่ยว่าเราพูดเล่นคำว่าพูดเล่นเนี่ยในวัฒนธรรมอาหรับเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ตัวที่ฟังไม่ลงเลยฟังไม่ได้เลยแต่ในวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้อภัยกันได้ นินท า, ากันเล็กว่ากันเน่าเฟะเลยนะแล้วผมอฮ้ยแกพูดยังไงเปล่าผมแค่พูดเล่นอ๋อมันงายไม่เป็นไรจบเกลาเป็นปเรื่องไม่มีค่าเลยที่เขาพูดไปแล้วนะ่ะทั้งหมดนี่พูดเสียๆหายๆนะโอ้นี่พูดเล่นอย่างเดียวอ๋อหยอกล้อไม่ได้อะไรล้อไม่ได้ตั้งจใจลรอแค่พูดเล่น นี่จริงนะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเอาละถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยในเรื่องคำพูดที่ไม่เกี่ยวกับศาสนานี่ก็ว่าไปมันไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วทางดังดีเราก็รู้กันนะว่าบางเรื่องนี่นะ่ะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องสังคมไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยเอามาพูดเล่นก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็รู้กันรู้กันแกจะเรื่องบางเรื่องนะบ้านเราเนี่ยพูดเล่นไม่ได้พูดเล่นเนี่ยนะ ดู ด, ดำเนินคดีเลยนะใช่ไหมไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่ก็ติดคุกเงินที่ทาไมเรื่องศาสนานี่พูดกันแบบสนุกปากเลยนะผมเคยฟังนักกุศการที่พูดเรื่องเรื่องศาสนานี่แต่อยากจะให้ฟังเรื่องศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องเบือ่อไม่ใช่เรื่องอะไรเนี่ยบทีก็เอาเรื่องตลกมาปน เช่นพูดเรื่องนรกอย่า ง, น เ, งเนี้ยเฮ้ยโดมึงแอนี่ถูกปิ้งในนรกเนี่ยปิ้งจนเกรียมเลยเนี่ยเป็นซูชิเป็นไอเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเนื้อกระทะเลยอะไรเงี้ยเอยเอคือเทียบได้แต่ถ้าหากว่าจะกลายเป็นเรื่องโจกเลยนะมันไม่เหมาะเลยทำไมนรกนี่มีไว้ขู่นึกออกมันรกนี่มีไว้กลัว ไป น, นีมฟังตะกอนนู้นนะ่ะซาฮาบและก็ยุสซาลฟนี่ได้ยินเรื่องนรกเนี่เขาจะก้มหัวแล้วก็ร้องไห้กันนะแต่นี่พูดนะมีเหลืออะไรล่ะนะึ่ไม่เหลือแล้วสินรกถูกเอ้ยนะี่ก็ไม่น่ากลัวแล้วเรื่องสนุกด้ซ้เอ้ยดี๋ไปฟังอาจารย์นี่พูดเรื่องนรกสนุกเลยว่าเอาแทนที่จะเป็นเรื่องสำนึกกันเนปะ็นเรื่อง เ, เรื่องที่ทําให้เพิ่มอิมานนะเพิ่ม น, นั่ากัรวลไม่ใช่การเป็นเรื่องสรุปเป็นเรื่องตลกไปเลยอันเนี้ยอันเนี้ยในสังคมบ้านเรานี่มันมีแล้วมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเรื่องศาสนาหนี่ขนาดกอรีกอรีบางคนนะอ่านกุรานอ่านคุรอานเนี่ยมันมีทำนองนะ มันมีทำนองแต่ละทำนองเนี่ยมันเหมาะกับฟ e e l i n g กับความรู้สึกของเนื้อหาของของกุฎาธิ์อ่ะอย่างเช่นถ้าจะพูดถึงสวรรค์เขาก็เขาก็มีมะกอมมีทำนองเรื่องมากอมุสซาบะมันเป็นทำนองเกี่ยวกับเรื่องความคิดถึงเรื่องคือคิดถึงสวรรค์ไงอะไรเงี้ยนะถ้าจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับนรกเนี่ยมันก็จะมีมะกรมนาฮวัตเดี๋ยวะนาวันมันจะทําให้แบบว่า รู้สึกจริงใจรู้สึกเออลึกซึ้งอะไรเงี้ยเขาจะได้เขาจะได้ตั้งใจฟังแล้วก็เออนี่นรกนะแต่ยังไงก็ตามไอ้ละูทั้งหลายเนี่ยพวกทํานองทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่นํามาซึ่งความสํานึกความซาบซึ้งในเนื้อหามากกว่าซาบซึ้งในทํานองก็หมายถึงว่าไอ้ความอริดอร่อยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะทํานองกอรี บ, บางคนนี่ก็เลยอ่าน عن آيات جاوب ونقيا معنى إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذب خافضة الرحمين والطور وكتاب م س ت و ر فرق س و ر ة لوني آية لوني صحبة ب ا ن ي ا ن ي ة فان ل ا ن ي بنلوم عمر بن الخطاب نفان سورة الطور نية อินน่าดาบอบบิคาลาวะกับแทจิงกัรลงโทษว่าม um um ันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านอัลมุฮนั้นขัต้บเนี่บอกว่าสัญญาสัญญาที่แท้จริงท่านนอนป่วยสัปดาห์หนึ่งอะไม่มีใครรู้เนยเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะฟังกุรอ่านถ้าคนนั้นนะคนล้มนะฟังกุรอ่านแล้วก็ล้มนะแต่นี่มาบอกกอรีนี่มาอาวัตตูโอ้ลอัล่อคือเขาชอบในทำนองไย อุลมะเขาก็ออกมาตำหนิว่าการอ่านคุร์รานเน้นในเรื่องทํานองให้คนเคิมเคิมกับเสียงที่ไพเราะเคิมกับทํานองที่น่าทึ่งและเนื้อหาของสุรและกายานี่นะไม่ไม่มีใครไม่มีใครพิจารณาแค่นี้นะไม่มีการเยอะเย้ยนะแต่เขาบอกว่า ฟังกุตอ่านแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งอันนั้นนะ่ะมันไม่ควรไม่เหมาะเพราะมันมันไม่หยิบมันไม่ใช่เหตุผลที่จะรอบประทานคุตอ่านเราประทานกุตอ่านลงมานี่เราจะได้พิิษพิจารณาแล้วก็เกิดความสับเนื้อเกิดอุทาหรณ์แล้วภาษาอะไรกับคนที่ฟังกุตอ่านหรือเอาเรื่องและการศาสนานี่มายกเ ย, เยื่อยหล่ะเอาหิ้งไปกันใหญ่ลเลยยะเยือีแล้วเนี่ย ตกศาสนาหนะตกศาสนานะเต้าบาดตัวได้ไหมลบลูท่านนบีเนี่ยเตาบาดตัวได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยที่มีความขัดแย้งระหว่างมันเนาละมาเนื่องจากอายะตัฉมานีอัลล์ได้บอกว่าลต้งตตซิรุคดกฟรตุมบดอมานคุม อันนั่งฟู่ณ์ทั้งทีหนุ่มคุณอัลทับทั้งที بأنهم كانوا مجرمين พวกท่านอย่าแก้ตัวเลยอย่าแก้ตัวอย่าแกล้งแก้ตัวที่เขาแก้ตัวนี่เขาพูดอะไรอะเขาบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเยอยเราพูดสนุกพูดเล่นอันนี้แก้ตัวกรดิกฟารตุมแท้จริงพวกท่านได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วเห็นไหม ที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าฉันปฏิเสธฉันกูโฟร์ตอลักการเขาไม่ได้พูดเลยนีย่แต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือเหาะเยอยนะพูดเล่นนะแ ล, ล้วก็บอกว่าไม่ในพวกเจ้าแต่ฟัรตุมพวกเจ้านี่ได้อยู่ในสถานะผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วบาดาอีมานี่ยุณหลังจากการมีศรัทธาของพวกท่านลั้นอย่างที่เจ้าเนี่ย เคยเป็นผู้ศรนะัทธาเนี่ยพวกเจ้าในปฏิเสธศรัทธาทำไมเนี่ยก็เขาเป็นมุนาฟิกแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เ น, นี่ยเขาเป็นผู้ศรัทธาได้ไงส่วนหนึ่งบางคนนี่นะยังไม่ได้เป็นมุนาฟิกเต็มตัวเดี๋ยวจะอธิบายบ้างคนหนึ่งอะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมุนาฟิกเต็มตัวยังยังกั้มกึ่งอยู่แล้วคนเหล่าเนี้ยที่อัลลอฮฺให้อภัย หากเราจะอภัยโทษให้แก่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าอินนาฟูอันตออิฟติมิงุถ้าว่าให้อภัยกับกลุ่มหนึ่งอะ น, นะเราก็จะลงโทษอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้กระทํำความผิดเบียนนังหงกานุมุจริมีนสามคนมีแหละสองคนเยอะอีกคนหนึ่งไม่ได้พูดนะอีกคนนึงทําอะไรหัวเราะ كونيهم يسوى مخشي ابن حمير. بعريه ا ن رق مخش مخشن مخشن ابن حمير. بنصير تي ياب خايمه مخشي مخشي. إ ا مخشي نا ن ا ق و ا مخشن بيو ي ع ب ماشي محسن نه ما د ن ق و ا ميجي مخشن سينه. ข้าขก็เชินอัลหมุฮัสซินเขาเรื่งเลยมุคัซซินเป็นวียาฮามีรละฮมีรเปวนเลาลาในท่านในวัฒนธรรมไทยแล้วะพอาสามคนนี่เนี่ยไปขออภัยกับท่านนบีสุลลัลละวะเลยิไอคนที่สามเนี่ยมุคัซซินรีมาซีบนฮามิร์เนียบอกว่าท่านนบีครับผมไม่มีอะไรจะแก้ตัว แต่ชื่อผมเนี่ยชื่อผมเนี่ยมันมันมันมันเป็นมันเป็นโชคของผมนี่แหละเพราะชื่อนี่แหละชื่อที่น่ารังเกียจชื่อที่ชื่อของฉันแล้วก็ชื่อของพ่อฉันเนี่ยที่ทำให้ฉันหนีแย่ๆ แ, แบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าคือเขาเขาสารภาพบอกเขาไม่ได้แก้ตัวไงสารภาพบอกเขาทาผิดเขาบอกว่ามัชชีร์มุชชนอิบนฮามีรเนี่ย ที่อัลลอบอกว่าอินน้าฟุอันตาอิฟะท่านเหานวาเฮียบัยตูดก็คุมนินเคนี้เฮียบัยตูษแต่ลุมนิงเราจะลงโูษเขาบอกว่ามุฮัชชันอิบูฮามีรเนี่ยรู้ตัวว่าเขาทำบาปมานและก็เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในที่สาธารณะชอบะต่างๆนี่ก็รู้เขาก็เลยสัญญาใจว่าเขาจะต้องทาอะไรที่ ลบล้ลางบาปมหันนีพราะในสมครามอลีมามะหลังจากที่ท่นานนบีเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีลุมเผาบานุหานีฟะบนรุหานีฟะไม่ใช่อบูหานีฟะนะบรุหานีฟะในเป็นเผาเผานึงอยู่ที่ส่วนกลางของคาบสมุทรอาหรับปัจจุบับนนี้เทอร์เรียดอะหรไม่รู้ ชื bin, bin ่อบนูฮานีฝาวันน so ี้เป็นเป็นเผ่าที่ใหญ่มากแล้วก็มีคนหนึ่งในเผ่าเนี้ยอ้างตัวเป็นนบีหลังจากที่ท่านนบีประกาศตัวว่าตัวเองเป็นเป็นนบีชื่อมุูไซละมะอัลกัฎะซาฮาบาก็เลยทําสงครามกับมุูไซละมะอัลกัาบเนี่ยแล้วก็มุขชันหรือมักซีบเนี่ยฮามีรเนี่ยก็เลยไปทําสงครามเฮ้ยขอดูอากับอัลลอฮ์นี่พอหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ย โอ้ก็เน่องจากว่าชื่อเนื้อชื่อแย่ๆเนี่ยที่ฉันไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยฉันแย่แบบเนี่ยเ้าก็หลังเหตุการณ์นี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นับดุรหชมานแล้วก็ประกาศเตาบัตรตัวแล้วขอดูอาต่ออกรว่าให้เขาเสียชีวิตในในฐานะช شهيد แล้วก็ไม่มีใครรู้วศพเขาหายไปไหนเรากฏว่าในสงครามนั้นนะสงครามอารีย์มาม่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งในสฮาบะฮ์ที่เสียชีวิต แล้วก็ซาบ้านเนี่ยไปหาศพเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนนี่ก็ไม่เจอศพตามที่เขาได้ได้ขอต่อรองสุภาณวุฒิหัวตาอุลามาด่านซีว่าประวัติของซาบ้านเนี่ยก็บอกว่าคนนี้เนี่ยเคยอยู่ในหมู่คณะของมูนาฟิกีนที่ดูกตําหนิแล้วก็ได้เตาบาดตัวได้เต้าบาดตัวแล้วก็ประพฤติดีต่อมาแต่อีกสองคนละ่ะในอาย่านี่บอกว่า ไห้อาภายคนหนึ่ง อ, กกน ง, งอีกกลุ่มนึงไม่แสดงอีกกลุ่มนึงไม่ให้ใั่ป่ะอา้าวคนที่ลบหลู่ท่านนาบีเนี่ยโทษของเขาเนี่ยก็คือประหารลบหลู่ศา ส, ะสะนาและการศาสนาลบหลู่อัลลอฮ์ลบหลู่รสน์โทษนี่คือประหารเขาบอกว่ามันเป็นคดีอาญาแผ่นดินเขาจะสำนึกไม่สำนึกเนี่ยต้องถูกลงโทษ คดีอาญาถึงสำนึกแล้วแล้วก็ต้องลงโทษเนะเต้าบาดตัวนี่ก็เต้าบาดไปเถอะแต่ต้องลงโทษลงโทษนี่คือประหารก็เหมือนฆาตกรนะฆ่าคนอื่นต้องลงโทษประหารชีวิตถึงเขาจะเต้าบาดตัวก็ตามเลแต่ก็ต้องประหารชีวิตคำถามก็คืออาจจะอีกสองคนนี่นะไม่มีรายงานเลยนะว่าจะนำไปประหารชีวิต ไม่มีเรื่องอะไรก็ท่านนาบีพูดสิที่มาเป็นหท่านนบีผมว่ามีเหตุผลหลายประการประการแรกช่วงนั้นนะ่ะท่านนาบีกำลังยกทัพจะไปสู้รบถ้านาบีประหารชีวิตกองทัพ ม, มันก็อาจจะเกิดฟิดนะความไม่พอใจเพราะมีกลุ่มมุนาฟิกที่ออกมาก็ก็หลากหลายเหมือนกันนะหลายคนเหมือนกัน แตานนาบีปราชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความวุ่นวายในกองทัพซึ่งมันก็ไม่ดีกับไม่ดีกับสภาพของกองทัพที่กําลังจะไปเผชิญหน้ากับศัตรูานนาบีก็เลยไม่ลงโทษอันที่จริงแล้วหลายเหตุการณ์สมัยท่านนาบีสุลต่านสลัมที่มีคนลบหลู่แล้วก็ท่านนาบีไม่ดีไม่ดีไม่ดีสั่งให้ปราศชีวิตแต่มีบางคนเนี่ยที่ลบหลู่นบีก็สั่งให้ปราศชีวิตเหมือนกันนะแต่มีบางคนเนี่ยไม่ประหาศชีวิต อุลามาได้บอกว่าที่ท่านนบีไม่ปราศชีวิตเนี่ยเพราะหนึ่งเขาลบหลู่ท่านนบีและกัการลบลู่ท่านนบีในเป็นสิกของท่านนบีที่จะให้อภยัยให้ลงโทษหรือไม่ลงโทษอันนี้เหตุผลเด็เหตุผลที่สองเป็นเหตุผลในฐานะที่ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้นําสังคมและท่านนบีจะรู้ความเหมาะสมในการที่จะลงโทษโดยเฉพาะโทษประหารชีวิตเนี่ย มันเหมาะหรือไม่เหมาะทำได้หรือไม่ได้จะเลื่อนทำหรือจะเว้นวักไปก่อนอันนี้เป็นสิทธิของท่านนาบีแต่โทษของคนที่ลบหลู่ท่านนาบีนี่ก็คือประหารชีวิตประหารชีวิตแต่อย่างที่รู้กันนะประหารชีวิตเนี่ยอันนี้คือโทษแต่จะทำไม่ทำเนี่ยอันนี้อยู่ที่สถานการณ์ที่ผู้นำสังคมเนี่ยจะเป็นคนประเมิอนเองการขอโทษเนี่ยขอโทษแก้ตัวเนี่ยเป็นผลในการ ยกเลิกการลงโทษไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนที่ลบหลู่ท่านนาบีสุลในอยสันัปปะแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็มีนักวิชการหรือผู้นำประเทศอเอเราจะไม่ยอมจนกว่าจะขอโทษคือประการแรกนะขอโทษใครขอโทษประชาอิสลามอันแล้วเขาแล้วเขาดูหมิ่นประชาอิสลามเหรอแล้วลเรามีสิทธิ์อะไรประทานโทษมีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรที่จะไป รับการขอโทษแทนท่านนาบีอุลามาบางท่านเนี่ยยังมีทศนาบอกว่าหลังจากท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการขอโทษท่านนาบีเนี่ยไม่มีผลเลยเพราะนาบีเสียชีวิตไปแล้วและไม่มีใครสามารถเป็นตัวแทนท่านนาบีในการรับการขอโทษของคนอื่นท่านเราจะไม่ยอมลบลูนบีได้งไงเราจะไม่อพวกเขาต้องขอโทษพวกเราก่อนพวกคุณเกี่ยวอะไร พวกคุไม่มีหน้าที่ดำรงกฎหมายอิสลามอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ที่จะมารับการขอโทษของเขาพวกคุณไม่มีสิทธิ์ง่ายที่สุดนะสาหรับคนที่ถูกลงคนดีลบหลู่ท่านนาบีลงโทษเนี่ยลงโทษคนเดียวดีกว่าลงโทษคน ด, ดีกว่าสังคมทั้งหมดเลยเนี่ยจะถูกลงโทษ จะดุลงโทษ ด, ด้วยอาสาบการลงโทษการสาบแช่งจากอัลลอฮ์สุฮานวตาหรือการลงโทษของผู้ศรัทธาที่จะทำหน้าที่ปกป้องศาสนาในยุคที่อิสลามยังแข็งแกร่งเนี่ยแค่ได้ยินนะนี่ขณนะตอนนั้นยังไม่มีดาวเทียมไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรเลยนะแต่จะมีใครลบลู่ศาสนาแล้วก็ข่าวนี่ถึงคอรลีฟ้าเนี่ยยกทัพเลย ดูหมิน่นมุสลิมรังแกมุสลิมาดึงฮิจารอะไรเงี้ยยกทัพเลยยกทัพเลยอันนี้ด้วยน้ํามือของผู้ศรัทธาที่ปกป้องศาสนาไงเขาประกาศสงครามกับสังคมทั้งหมดเลยที่เพิกเฉยกับการดูหมิน่นศาสนานั้นการลงโทษคนหนึ่งที่ดูหมิน่นศาสนาดีกว่าดีกว่าจะให้มุสลิมดีเขา มีความแข็งแกร่งนี่ไปลงโทษเขาทั้งหมดเลยนะหรือถามุสลิมแย่ๆเหมือนในปัจจุบันนี่นะไม่ได้ทําหน้าที่ปกป้องศาสนาเนี่ยการลงโทษนี่ก็จะมาจากคนบาปซุบานาซึ่งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไล่ลำดับข่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้นี่ เราจะเห็นว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันดูเกินความเหมาะสมความสมดุลของมันอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่โมร็อกโกเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยเกิดแผ่นดินไหวานานที่นี่เ็บอกก็รอยี่สิบห้า125ปีแล้วคนที่เสียชีวิตในเยอะมากประกฏวดา มีผู้รู้ที่ประเทศโมร็อกโกเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดนี่เพราะอะไรเพราะผมรู้อะประเทศโมร็อกโคนี่มันมีอะไรผมเคยไปเรียนที่นู่นนะ่ะโมร็อกโคนี่เป็นประเทศที่ปเป็นมุสลิมที่แย่มากเลยแย่มากในเรื่องพฤติกรรมอะไรต่างๆเมืองมูรักกอสเนี่ย ที่เกิดแผ่นดินไหวในร่มเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเรื่องแย่มากเลยเรื่องเรื่องแย่ๆมากเลยผมผมรู้สึกส่วนตัวนะว่าเออแผ่นดินไหวนี่มันก็ต้องเป็นบัลลอล่ะเป็นบัลลออย่างหนึง่งเหมือนแป็นดินไหวที่ตุรกีเหมือนบลลอตุรกีนี่ก็เรื่องแย่ๆนี่ก็เยอะคนตุรกีนี่เรื่องลาเรื่องอะไรโอ้ว่าเลหละ บะโลเป็นไ ป, นปนไม่ได้แจนกระทั่งผู้รู้ที่โมร็อกโคโนี่คนหนึ่งออกมาพูดผมก็เลยสบายใจว่าเออเราไม่ได้คิดคนเดียวเขาออกมานี่ตอนนี้เนี่ยอุลมาคนเนี่ยโดนรุมรุมเลทแหละเพราะเขาออกมาบอกว่าเราต้องยอมรับกันนะเรื่องช่วยเหลือเรื่องอะไรเนี่เราทำหน้าที่แต่เราเนี่ยความสำนึก ของประชาชนทั้งหมดเลยรวมถึงผู้นำทุกคนเนี่ยเราต้องสำนึกว่ามันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแลวเราต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหวแต่สาเหตุเนี่ยเราจะเพิกเฉยไม่ได้เราก็พูดถึงเรื่องบาปเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศโมรคโค็อกโกที่ตุรกีเมื่อ2ี่สิบสามสิปีมัง้ง ก็เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรงรุนแรงเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนั้นก็มีข่าวลือว่าจุดที่เกิดเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นกองทัพเป็นเป็นฐานทัพของตุรกีและตอนนั้นนะ่ะตุรกียังแบบว่าเป็นเป็นรัฐบาลที่แบบว่าเซกุล่าเต็มตัวเลยไม่เอาศาสนาเลย ตัวก็กำลังจัดจัดปาร์ตี้เนี่ยพวกทหารพวกยศใหญ่ๆนี่กำลังจัดปาร์ตี้กันแล้วก็เพอๆนี่ไอ้ไอ้ทหารยศเล็กๆเกนี่ยเขาที่เขาบริการอะไรก็ลูกน้องแล้วก็ช่วยทํพาพลาดอะไรสักอย่างหนึง่งเขาก็เลยเขาก็สาบานเขาก็สาบานว่าเขาไม่ได้ทดําห ม, า, มายถึงว่าเออหนะบเขาบอกว่าเฮ้ยอย่ามาเอย่ยชื่ อ, อละแบบนี้อย่ามาเอย่ยนันเนี่ย เอาคุฎอ่านว่านี่เอาคุฎอ่านมาเขาก็เลยเอาคุฎอ่านมาเพื่อเพื่อจะได้แสดงความความต่อต้านกับศาสนาเพราะไอ้กลุ่มที่มีอาอิสลามที่ตุรกีเนี่ยเป็นพวกสุดโต่งจริงๆเกลียดแสดงความเกลียดต่ออิสลามเต็มที่เอาคุฎอ่านแล้วก็มาเหยียบคุฎอ่านเหยียบเลยนะเหยียบกุฎอ่านเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวฉะนั้นการลงโทษจากการล่อสุภาโนวลาลาอาจจะเกิด จัดพฤติกรรมของเราก็ได้บ้านเรานี่ยมัก็ต้องทุกอย่างก็ต้องคิดนะ่ะฝนตกหนักทีหนึง่งเราก็รู้กันพ่อค้าแม่ขายนี่ขายอะไรไม่ได้เลยอันนี้เป็นบลอตไหมบลอสิบลอสิผับค า, าราอเกนี่ขายไม่ได้เลยไม่มีใครไปเลยพอนนแล้วฝนตกนี่ไม่มีใครเที่ยวเลยทำไมฝนตกนี่กูไม่อยากจะลุยไม่อยากจะโดนใช่ไหมไม่อยากจะโดนฝนไม่อยากจะอะไ ธุรกิจหลายอย่างบล้อไหมบล้อน้ำท่วมนี่บล้อไหมแต่ต้องเข้าใจนะหลักเกณฑ์ของเราสุภาเนี่ยบล้อเนี่ยไม่ได้เลือกนะเฉพาะคนที่ทําบาปนะไม่วัตติกูฟิตนะดันละตุศีบันนั่นละีนะโจรมูมีความเฉพาะระวังจะอาเราลงบลาเนี่ยบล้นี่จะไม่โดนการทดสอบนีการลงโทษนี่จะไม่โดนเฉพาะโลรมูคนที่อธรรมคนที่ทําบาปอย่างเดียวไม่จะเป็นการลงโทษ ทั่วทั่วไปน้ำท่วมจำนี้ไ่มน้ำท่วมปีไหนอะปีนั้น5้าแปดะห้าสี่อันนั้นนะเราเห็นในกะรุงเทพนีชะ ง, งักเลยนะสถานดงเทียวเนี่ย ไ, ไม่เหลือเลยใช่หมหแต่เช้าก็เศษนี่ก็ท่วม แถวหน้านี่ก็รับแถวสวนนี่ก็รับความเสียหายเพราะอะไรอ่ะเป็นการลงโทษทั่วไปลูกหลงนี่โดนด้วยโดนโดนหมดเลยแล้วแลาวทำไมเห็นบางทีนี่ก็เอารถลงโทษปรฏิทินมุสลิมในเรื่องในเรื่องผิดในเรื่องบาปนี่นะไม่มีนะผู้สแตงไม่ผู้สแตงถ้าเราจะลงโทษจะลงโทษหมดเลย ทั้งบูธาแล้วไม่ช่บูสัทาแต่แม้กระทั่งประเทศที่ไม่มีมุสลิมนี่ก็มีการลงโทษนี่ก็มีแผ่นดินไหว้บืภูเขาไฟา่งน้ำท่วมฝนตกนันก็มีหมดแหละซึ่งคนที่มัวแต่คิดอ๋อนี่มันเป็นปรากฏการณ์ดังธรรมชาติมันเกิดจากมันเกิดจากกฎเกี่ยวกับเรื่อง ฝนเรื่องความดันเรื่องเรื่องอากาศเรื่องพายุ ล, ลูกนู้นลูกนี้แล้วก็มีการอธิบายอธิบายปลอบใจให้คนสบายใจว่าอ๋อมันอั่จริงเนี่ยมันจะผูกพันได้ไงอ่ะพายุลูกนี้มันมาทําให้ฝนตกหนักน้ําท่วมเกี่ยวอะไรกับร้านคาราโอเกะนี่เกี่ยวอะไรกับการกินดอกเบี้ยแกมันเกี่ยวจะผูกพันได้ไงอ่ะแน่นอน คือถ้ามนุษย์ดีจะมาหาข้อผูกพันเหมือนสม ก, การไดง่ายนี่หนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองนี่อ๋อทำบาบแบบนี้ฝนตกคนต้องเชื่อแบบนี้เนี่ยแน่นอนพวกวัตถุนิยมเนี่ยเขารับไม่ได้หรอกเขารับไม่ได้แต่เราเชื่อเหลือเกินเราเชื่อเหลือเกินว่าพระเดชานุภาพของเราสุภานุวตาแหละพระองค์ทรงบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างและผู้ศรัทธานเนี่ยเป็นคนฉลาด เหมือนคนฉลาดทั่วไปนะคนฉลาดทั่วไปนี่จะไม่ประมาทโอก็คนที่ไม่ไม่ไดีเป็นผู้สัตยทานเนี่เขาบอกว่าเราต้องฉลาดอย่าดูถูกกระบวนการต่างๆที่จะทำลายตัวเราอย่าดูถูกผู้สัตยทาง น, นี่ก็ต้องฉลาดเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่ไม่มองข้ามเราต้องดูดูว่าเหตุการณ์ใดๆนี่มันเกิดเนี่ยเราเรามีส่วนอะไรเกี่ยวกับมันไหม การลงโทษสมัยสมัยสลับนุ่นนะแค่เดินสะดุดเนี่ยหกกล้มนี่นะเขาจะรู้เลยวันนี้อันนี้อันนี้มาจากบาปที่ฉันได้ทําำมาจากบาปทํากับข้าวปอกหองกระเทียมอะไรแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยสลับนุ่นนี่รุ้ที่บาดเนี่ยเพราะไปทําบาปอะไรมาคือจะไม่มองข้ามเนะี่ยเหตุร้ายอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นนี่นะเราต้องตีความไว้เลยว่ามันมาจาก มันมาจากจุนูบมากมาจากบาปความชั่วที่เราทำไหมท่านนบีสุลต่าละวะอเลห์อัสลามได้บอกคสอนนบีนี่แหละที่ผู้ศรัทธานี่ทําหูตาสว่างมานมาน زل มาน زل ะบลาอุอิลลับิัมบ وما رفع إلا ب د و ب มิมิบลาบลาบลาอุบลาอุบลาถ้าสเนียงอับีบลบลบลาาเนียง มลายูไทยเนี่ยบลก็คืออาซาบก็คือมูซีบาเนี่ยบททดสอบลงโทษนบีบอกว่ามไม่มีการลงโทษใดๆที่จะลงมายังคุมหนึ่งคุมใดหนึ่งเว้นแต่ต้องมาจากจำบต้องมาจากบาปความชั่วยอย่างหนึ่งที่ที่ถูกกระทำว่ามารุฟิอาแล้วเราจะไม่งดการลงโทษเนี่ยนอกจากว่าต้องเกิดเตาบัต การความแห้งแล้งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นบลออย่างหนึ่งความแห้งแล้งฝนไม่ตกเนี่ยบลอฝนตกนี่ก็บลอความแห้งแล้งเนี่ยมันเป็นบลอวิธีแก้บลอนี่ก็คือไปละหมาดขอฝนอุลลามะบอกว่าไปละหมาดขอฝนนี่นะให้นำซึ่งการเต้าบัตตัว แล้วก็ให้แสดงความต่ำต้อยถ่อมตนตลอดแล้วบอกว่าเป็นละหมาดฝนเนี่ยห้ามแต่งตัวเท่ๆนะทําไมอ่ะพวกคุณนี่ไม่ได้ออกมามาเดินแฟชั่นนะออกมาแสดงความต่ำต้อยแสดงความความนอบน้อมตลอดเราตลอดเราเราเป็นคนต่ำต้อยเราไม่มีค่าแต่นี่ใส่แบรนด์ใส่เนมาโชว์มาละหมาดกับคนและแบบนี้ Allah จะให้ลหร จะมาเดินแฟชั่นนะครัเร า, าจะให้ลหาบอกว่าให้แต่งตัวแบบสมระแล้วก็เดินมาเนี่ย็ให้สดะกองให้ก่าอิสิกฟา้าตลอดเพราะอันนี้เนี่ยเป็นสภาพที่จะทำให้อลัลลอฮสงเมตตาอาลัลลอฮสงสารเราเอาลัลลอฮก็จะได้งดการการลงโทษหรือบัลลอและหลังจากนี้นะนะก็จะมีการแฉ ลักษณะของมูนาฟิกีเนี่ยเขามีมารยาทมีลักษณะพฤติกรรมมีใสเขาเป็นอย่างไงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะก็จะเป็นเป็นการเจาะลึกเจาะลึกถึงสังคมมูนาฟิกเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไงเป็นสิ่งที่น่าทึ่งนะวะละสุบฮะน้าวแต่ละละถึงคนมูนาฟิกีเนี่ย มันเหมือนพฤติกรรมของมนุษย์ิกิปินทุกยุคทุกสมัยเลยรวมถึงสมัยนี้ด้วยแต่เรื่องนี้เนี่ย <c oughs> มันต้องอธิบายนานยาวนานซึ่งเวลาไม่พอแล้วและแบตก็หมดแล้วด้วยนะมีคำถามไหมตะกี้พยายามที่จะพยายามที่จะแปความว่าซีบ้านกับ马拉นะว่า马拉ทหนักขว่าซีบ้านว่า ส่วนมากนี่ละเนี่ยเชิงไม่ดีแง่ไม่ดีส่วนมากนี่จะเป็นการลงโทษในในแง่ที่ไม่ดีอ่าในแง่ที่ไม่ดีส่วนมากนะมุซีบ้าในทั้งหยกทั้งสองอย่างไปทย้งว่าเป็นบททดสอบที่เป็นการลงโทษสําหรับคนไม่ดีหรืออาจจะเป็นบททดสอบสําหรับคนดีอ่าอันนี้ใช้ได้ทั้งสอง ประมาณ5้า0ิอะพอๆกันนะหมายถึงว่าเขาก็คนนี้โดนมุสิบ้าไม่จะเป็นเสมอว่าเขาเป็นคนชั่วนะแต่บัละเนี่ยคนนี้โดนบัละเนี่ยโอ้แสดงว่า